ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตะปภะปุพพสิกขาและปุพพะสิกขาวันนาพระอมราพิรคิตะอมโรเกิดวัดบรมิว่ารัจนาต่อไปจะถึงเรื่องของ Because, อธิคมคือพระนิพพานถามว่านิพพานแปลว่าอะไรแก่ว่า นิพพานแปลว่าทำเป็นที่ดับแห่งกิเลสักคิเพลิงกีกิเลสและทุกข์สกิิเพลิงคือทุกข์หมายถึงไฟกิเลสกับไฟทุกข์ราคะความกำหนัดโทสะความประทุษร้ายโมหะความหลงสามอย่างนี้ชื่อว่ากิเลสักคิเพราะเกิดขึ้นกับจิตทําจิตให้เศร้าหมองขุนมัวด้วยและให้จิตเร่าร้อนกระสับกระสายด้วย จึงชื่อว่ากิเลสักคิชาติคือความเกิดชราคือความแก่มรณะคือความตายโสกะความแห้งใจปริเทวะความสะอื้นอาไลทุกความเจ็บทางกายโทมนัสความเสียใจความเจ็บใจอุปายาตความคับแค้นใจเหล่านี้ชื่อว่าทุกขคิเพราะเป็นเหตุแห่งความทุกขและเป็นตัวทุกขเหลือทนเผาสัตว์อยู่ให้เร่าร้อนดังกลองเพลิง จึงชื่อว่าทุกขคิกิเลสคิและทุกขคิเหล่านี้เมื่อถึงพระนิพพานอาศัยพระนิพพานแล้วดับไปและไม่มีในพระนิพพานเพราะเหตุนั้นนิพพานจึงแปลว่าทำเป็นที่ดับแห่งเพลิงคือกิเลสและเพลิงคือทุกข์เรียกกล่าวว่าเพลิงทุกข์คือชาติและชรามรณะดับไม่มีในพระนิพพานนั้นให้นักปราชญ์พึงรู้เถิดว่าขันทั้งห้าคือ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีในพระนิพพานด้วยเหตุว่าชาติความบังเกิดนั้นคือความมีขึ้นเป็นขึ้นแห่งปัญจขันธ์ชอวาชาติความแก่เก่าสุกรอบแห่งปัญจขันธ์ชอวชราเมื่อกล่าวว่าชาติและชราดับก็ได้ชื่อว่ากล่าวว่าปัญจขันธ์ดับไม่มีในพระนิพพานนี่พระนิพพานเป็นวิสังขารปราศจากสังขาร คือนามรูปและปัญจขันธ์เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาชเจ้าจึงตรัสว่าเอตังสันตังเอตังปณีตังยะดีดังสัพพสังขาระสมโถสั บ, บุปฏิปตินิสสกโกตันหักโยนิโรโทนิบานังแปลว่าเอตังสันตังธรรมชาตินั้นเป็นของระงับเป็นของละเอียดเอตังปณีตังธรรมชาตินั้นเป็นของประณีตอุดม ยาดีดังคือว่าสัปบะสังขาระสมัโธทําเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงสัป บ, บุปฏิปฏินิสัตโคทําเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงตันหักขโยทําเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหานิโรโธ ท, ทําเป็นที่เงียบหายก็คือดับนิบานังทําเป็นที่ไม่มีเครื่องร้อยรัดนิบานังนี้ก็แปลว่าดับเหมือนกันนะ แต่นิโรธก็แปลว่าดับโดยตรงแต่ว่าท่านแปลว่าเงียบหายนิบานางนี้โดยตรงมาจาคว่านิกวานะไม่มีเครื่องร้อยรัดก็คือตัญหาคำเหล่านี้เป็นชื่อแห่งพระนิพพานทั้งสิน้นด้วยคำว่าสัพพะสังขารสมโถสั บ, บุปฏิปตินิสกโกนี้แสดงว่าสปรพสิ่งทั้งปวงซึ่งเป็นเหตุภายในคือกุศลากุศลและกิเลกก็ดี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 เจตนาในกุศลและอกุศลจะช่อว่าอุปธิเขาเรียกว่าอภิสังขารูปธิสรงไว้ซึ่งทุกข์นํามาสร่งความ่เจ็บตายเหมือนกันตัวขันห้าก็ท่งไว้ซึ่งทุกข์เรียกว่าขันธูปธิการมูปธิการทั้งหลายทั้งกิเลสกามวัตถุกามก็เรียกว่ากามูปธิสภาพทรงไว้ซึ่งทุกข์คือการเหล่านี้ก็ไม่มีในพระนิพพานเลยพระนิพพานจึงชื่อว่าสัปปูปธิปฏินิสัตโข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 อาทิธิเเวตดายาตนางดูก่อที่สุดทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่ยัตถะในอายตนะไรเล่าเนวะปฐวีดินก็หาไม่เลยก็คือไม่ใช่แผ่นดินณนะอาโปน้ําก็หาไม่ไม่ใช่น้ํานณะเตโชไฟก็หาไม่ไม่ใช่ไฟณนะวาโยลมก็หาไม่ไม่ใช่ธาตุลมด้วยณนะอากาศานญจายตนางไม่ใช่อากาศานญจายตนะ ณวิญญาณจายตนง susp. วิญญาณจายตนะก็หาไม่ณนะอากินจัญญายตนงอากินจัญญายตนะก็หาไม่ณนะเนวสัญญ า, น, ญญ า, ญญานาสัญญายตนงไม่ใช่เนวสัญญานาสัญญายตนะด้วยนายังโลโกโลกนี้ก็หาไม่ไม่ใช่โลกนี้ณนะปรโรโลโกโลกหน้าก็หาไม่ณนะอุโพจันดิมะตุริกยาพระจันพระอาทิตย์ทั้งสองก็ไม่ใช่ตะดะ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 เอเตวันโตดุขสะนั่นแลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ทพรันคสูตรนี้แสดงลักษณะแห่งพระนิพพานด้วยคำว่าดินน้าไฟลมก็ไม่ใช่แสดงว่าไม่มีในพระนิพพานดินน้าไฟลมเหล่านี้ไม่มีในพระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นอรูปธรรมดินน้าไฟลมนี้เป็นรูปธรรมหาพุทธ ร, รูปสี่ด้วยคำว่าอากาศสารนัญจายตนะเป็นต้นก็หาไม่นั้นแสดงว่า นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแม้ละเอียดสุขขุมประหนึ่งว่าจะไม่มีดังเนวสัญญาณนาสัญญายตนะเป็นอรูปอย่างละเอียดก็ไม่มีในพระนิพพานพระนิพพานเป็นอนามธรรมไม่ใช่อา ร, รมณิกะนามธรรมตัวนามอันรกอบด้วยอารมณ์เป็นเครื่องยึดนั้นนามจะมีสอยา่าง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 พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตจัตติกนี่แหละเป็นนามธรรมที่รู้อารมณ์แม้กระทั่งมรรคจิตผลจิตก็เป็นนามธรรมที่รู้อารมณ์ได้แต่ว่าพระนิพพานก็จัดว่าเป็นนามเพราะว่าเป็นสิ่งที่ควรจต e ่การน้อมมาของพระอริยเจ้าให้บังเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ของ ม, องมรรคจิตผลจิตพระนิพพานก็ได้เรียกว่าเป็นนามธรรมพเพราะว่าควรแต่การน้อมมาแต่ว่าเป็นนามธรรมที่ไม่รู้อารมณ์นั้นนามธรรมจะมีสองอย่างอารามณิกนามธรรมกับอนารามณิกนามธรรม ส่วรูปนั้นเป็นอนารมมณิกะไม่ประกอบด้วยอารมณ์แต่ว่ารูปนั้นไม่ใช่นามคนตัวอย่างกันรูปก็ไม่รู้อารมณ์นิพพานก็ไม่รู้อารมณ์แต่ว่ารูปน yeah. ั้นเป็นรูปธรรมนิพพานเป็นนามธรรมนิพพานนั้นเป็นอะนาธรรมนิกะเป็นภาพที่ไม่ต้องประกอบกับอารมณ์ไม่ใช่เป็นอารมณิกะนามธรรมเวทนาสัญญาสัญขานวิญญาณนี้เป็นอารมณิกะนามธรรม และจะแสดงว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงใดสิ่งหนึ่งมีในพระนิพพานก็หาไม่ด้วยคําว่าโลกนี้ก็หาไม่เป็นต้นนั้นแสดงว่าพระนิพพานไม่มีที่ประดิษฐานตั้งอยู่ในทิศใดตามบนใดและไม่ประดิษฐานดํารงอยู่ในทิศใดตำบนใดด้วยคํานี้แหลห้ามความเห็นผิดแห่งพานละชนทุกวันนี้ว่าพระนิพพานเป็นเมืองแก้วอันวิเศษจะเต๋นไปสารสำราญนิราชภายัย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 อันหนึ่งความถึงสัอุปาทิเสสนิพานเล่าก็มีก็เป็นในขณะมัดอาศัยซึ่งปัญจขันธ์ซึ่งเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เวลนที่ท่านบรรลุทุจริต น, นิพพานแล้วยังมีขันธ์ห้าเหลืออยู่เนี่ยเรียกว่าสัอุปาทิเสสนิพานแต่ความจริงแล้วพร น, นิพพานไม่ใช่ตัวขันธ์ห้าเป็นการแสดงโดยปริยายนะสัอุปาทิเสสนิพานไม่ใช่ตัวนิพพาน แต่ว่าหมายถึงเป็นผู้ที่จระจับแจ้งพระนิพพานแล้วแต่ว่ายัางไม่ปรินิพพานยังไม่ตายยังมีขันห้าเหลืออยู่ก็เลยเรียกว่าสัปุปาฏิเสสนิพพานอันหนึ่งจะประสงค์ว่าความไม่มีไม่เป็นไปแห่งกิเลสเป็นปัจจุบันและเป็นพระนิพพานเล่าไซอริยมรค ก, ก็จะเป็นของไม่มีประโยชน์เพราะว่าก่อนแต่อริยมรตกังเกิดกิเลสก็ไม่มีไม่เป็นไปอยู่แล้วด้วยอานาจโลกิยวิปัสสนาปัญญา อันหนึ่งถ้าจะว่าประสงค์ความไม่มีกิเลสเป็นพระนิพพานแล้วไส่นอนหลับสนิทก็จะเป็นพระนิพพานได้เพราะกิเลสไม่มีในเวลาหลับสนิทนั้นอันหนึ่งถ้าประสงค์ราคะไขความสิ้นราคะโทสัตไขความสิ้นโทสัโมหะไขความสิ้นโมหะการชมภูขาดะกะสูดเป็นต้นอันนี้ก็อยู่ในสังยุตตนิกาสราญตนาวัต บอกว่าความสิ้นราคาโทสาโมหะมาถามรากษาริบุตรรษ า, าริบุตรบอกวความสิ้นราคาโทสาโมหะนั่นแหละเป็นความสิ้นไปเห็นทุกข์ถ้าจะเข้าใจว่าเป็นพระนิพพานแล้วไซต์โทษก็มีมากคือพระนิพพานก็จะเป็นอิตฉาระการมีการเวลานิดหนึ่งครู่หนึ่งแต่เพียงสิ้นกิเลสไปเท่านั้นอย่างหนึ่งก็จะตกลงในลักษณะแห่งสังคตธรรมอย่างหนึ่งก็จะเป็นของได้ด้วยง่าย ไม่พึงถึงสัมมาวายามะก็จะพึงได้ก็แลเมื่อตกลงในลักษณะแห่งสังคต ธ, ธรรมและมีการครุ่หนึ่งแล้วไซส์พระนิพายก็จะนับเนื่องเข้ากับสังคต ธ, ธรรมเพราะเนื่องเข้าไปในสังคต ธ, ธรรมก็จะเป็นของร้อนด้วยเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์เพราะเป็นของร้อนพระนิพานก็จะเป็นทุกข์ตกลงไม่ใช่หมดเลยนิพานคืออะไรกันแน่อันหนึ่งราคาดิ ข, ขัยหมายถึงความสิ้นราค่าเป็นต้น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 ความสิ้นกิเลสเช่นนั้นเป็นพระนิพพานเล่าใสเขาไม่ชอบเพราะความสิ้นกิเลสเช่นนั้นไม่มีไม่เป็นถ้าหากว่ามีเป็นก็ไม่พ้นโทษ ด, ดังกล่าวมาได้อันหนึ่งพระอริยมตรตก็จะเป็นพระนิพพานไปเพราะว่ามรตและผลพระผู้มีพระภาคเจ้า ก, กล่าวด้วยชื่อว่าราคัคคโยโดสัคโยโมหคคโยเหมือนชื่อพระนิพพานก็มีอยู่ราคัคคโยโทสัคโยโมหคคโยถ้าเป็นชื่อแห่งมรต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 กิเลสมาถึงพระนิพพานซึ่งเป็นอารมณ์แห่งมรรคแล้วแลสิ้นไปเพราะฉะนั้นคําว่าราคะขโยโทสักขโยโมหขยโยนี่เป็นชื่อของมรรคก็ได้ผลก็ได้นิพพานก็ได้ถ้าเป็นชื่อของมรรคต้องแปลวะ่าทําเป็นเหตุสิ้นไปแห่งราคะโทสามุหะถ้าเป็นชื่อของผลต้องแปลวะ่าความสิ้นไปแห่งราคะโทสามหะถ้าเป็นชื่อของพระนิพพานต้แปลว่ า, ออาะวะทําเป็นที่สิ้นไปแห่งราคะโทสามุหะมันก็ชื่อเดียวกันได้ทั้งสามอย่าง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 อารัมมณูปนิสยปั จ, จหรือว่าอารัมนาทิปติปัจจัยนะเป็นปัจจัยโดยความเป็นอารมณ์ที่มีกําลังมากแกอาริยมัสนั้นโดยปริยายก็คือโดยอ้อมตัวดับกิเลสจริงๆคือตัวมัศแต่ว่าพระนิพพานเนี่ยชื่อว่านิสรมะประหารด้วยแต่ว่าเป็นอารมณ์ให้มัศดับกิเลสก็เลยเรียกว่าเป็นการละโดยอ้อม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 พระนิพพานนั้นเป็นเหตุที่ทําให้อริยมรรคเกิดขึ้นโดยความเป็นปัจจัยเป็นอารัมมณูปนิสัยปัจจัยอารมนาธิปติปจัจัยเพื่อจะชี้อธิบายราคะโยโดสักโยโมหะโยนี้เท่านั้นถ้าจะกล่าวโดยเหตุผลตามอริยศาสตรจกถามรรคเป็นเหตุพระนิพพานเป็นผลเพราะว่ามรรคเป็นเหตุคือเรียกว่าสัมปาปกาเหตุเหตุที่ให้ถึงไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้เกิดขึ้นนะเพราะว่าพระนิพพานนั้นไม่เกิดขึ้น แต่ว่าโดยปัจจัยนั้นพระนิพานนั้นเป็นอารมณ์เป็นเหตุที่ทําให้มัศขจิตเกิดขึ้นมัคปัญญาเกิดขึ้นแต่ถ้าโดยอริยสัจนั้นพูดถึงเหตุผลโดยแง่ของอะไรที่ต้องกระทําต้องบําเพ็ญอะไรที่เป็นเหตุก็ทุกข์อันนั้นเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุแล้วก็นิพานเป็นผลมัศเป็นเหตุเพราะว่าเมื่อเจริญมัศก็เป็นเหตุที่ทําให้มีนิพานปรากฏแจ้งกับมัศ นิพานก็กลายเป็นผลไปมรรคก็เป็นเหตุไปอันนี้โดยอริยสัจจะกถาอันหนึง่งความว่างเปล่าและความไม่มีไม่เป็นแห่งปัญจขันธ์เป็นต้นและความสักว่าสิ้นไปแห่งกิเลสเป็นพระนิพานเล่าไส่ที่ไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสว่าพระนิพานเป็นของลึกและตรัสว่าเป็นอาศังขตธรรมเล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระนิพานเป็นของลึกดังนี้คือ คำพีโรจายังธรรมโมธรรมคือพระนิพพานเป็นของลึกดุต ด, ดโสอันบุคคลเห็นด้วยยากุรานุโพโทอันบุคคลตัดสรู้ตามด้วยยากสันโตเป็นของระงับปณีโตเป็นของประณีตอตตากาวัจโรไม่เป็นที่ลงเที่ยวไปแห่งความวิตกคือว่าปุถิชนจะตรึกนึกฆาดชเนเอาเองไม่ได้นิปุโนเป็นของละเอียด ปัณดิตะเวดานิโยเป็นของอันบัณดิตคือพระอริยเจ้าจะพึงรู้แจ้งปุถุชนไม่รู้แจ้งก็แลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าเป็นอสังคต ธ, ธรรมนั้นโดยในหลายอยา่างอธิบายโดยสังเกตดังนี้ว่าธรรมทั้งปวงกล่าวโดยย่อมีประเภทสองคือสังคต ธ, ธรรมและอสังคต ธ, ธรรมสังคต ธ, ธรรมแปลว่า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 จะเป็นของลึกของเห็นยากสักกี่มากน้อยจะเป็นอสังขตธรรมอย่างไรได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นความศูนเปล่าความไม่มีแห่งปัจจคันนะเพราะเหตุนั้นจ่าพึงรู้เถิดว่าพระนิพพานเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งมีอยู่แท้ใช่ความสูนเปล่ า, ใ ช, า, ลาใช่ความไม่มีแห่งสังขารใช่ความสักว่าไม่มีแห่งกิเลสเป็นพระนิพพานไม่ใช่ความสูนเปล่าเท่านั้นไม่ใช่ความไม่มีแห่งสังขารเท่านั้น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 ก็แลความที่พระนิพพานเป็นของสุขุมละเอียดนั้นย่อมปรากฏอยู่ด้วยพาให้พระผู้มีพระภาเจา้ามีความขวนขวายน้อยในการที่จะแสดงธรรมตอนที่ตัดสรู้แล้วเนี่ยนะน้อมใจไปที่จะไม่แสดงธรรมเพราะว่าเห็นว่าพระนิพพานนั้นเบ่งถึงที่ละเอียดข้อปฏิบัติที่ตามที่ถึงการนิพพานนั้นก็ลุ่มลึกมากสั ก, กินดีในอะไรมีความขวนขวายติดใจในอะไรอยู่ยากในการที่จะน้อมไปในการนิพพานนี้ก็เลยน้อมไปในการที่จะไม่แสดงธรรมแต่ว่า พระพรมก็มาอนุเคราะห์รองสารสัตว์โลกก็เดินมาทูรัตนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระเจ้าก็เลยตกลงครับนี่มนต์ธรรมนะแล้วก็เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าด้วยในการที่จะให้พระพรมมาอารัตนาสัตว์ทั้งหลายเคารพพรมก็เลยทําให้ต้องเคารพธรรมด้วยก็พระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีความขวนขวายน้อยในการที่จะแสดงธรรมในเวลาเมื่อพระองค์แรกได้ตัดสรู้อย่างหนึ่งปรากฏ เพราะพระนิพพานเป็นของอันพระอริยเจ้าจะพึงเห็นด้วยตาคืออริยมรรคปัญญาพระเหตุ น, นั้นพระนิพพานจึงเป็นอาสาธารณะไม่ทั่วไปแก่ผุ้ทุชนอันหนึ่งพระนิพพานเป็นอัปตาภวะไม่มีแดนเกิดคือไม่มีเงื่อนต้นว่ามีขึ้นครั้งพระพุทธเจ้าองคโน้นก่อนนั้นไม่มีอันหนึ่งจะว่าพระนิพพานเป็นปัตภวะมีธรรมเป็นแดนเกิดเพราะพระอริยมรรคให้เกิดขึ้นเล่าไซก็ไม่ชอบ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 เพราะพระนิพพานไม่มีแดนเกิดจึงเป็นอชรามรณะไม่มีความแก่ความตายเป็นอัชราด้วยอมตะด้วยไม่แก่ไม่ตายเพราะไม่มีธรรมเป็นแดนเกิดและไม่มีความแก่ความตายพระนิพพานจึงเป็นธรรมอันเที่ยงเพราะเหตุดังกล่ามานี้แหลพระนิพพานจึงเป็นของมีอยู่โดยแท้มีอยู่โดยเป็นป ร, รมัตดเพราะเป็นธรรมอันบุคคลจะพึงได้ด้วยญาณวิเศษ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 ก็คือเพราะใช่ทาเว้นจากเหตุเป็นขึ้นเองก็คือไม่ใช่ทาที่เกิดจากเหตุปัจจัยเป็นสิ่งที่ไม่เกิดอาภูตังอาคตังคือธรรมชาติที่ชื่อว่าอาคตะเพราะเป็นของอันเหตุสิ่งใดไม่ได้กระทาไม่ต้องมีการกระทาตรงแต่งให้เกิดขึ้นเพราะว่าพระรนิพารไม่เกิดอาสังคตังคือธรรมชาติชื่อว่าสังคตะ เพราะเป็นของอันเหตุและปัจจัยสิ่งใดไม่ได้แต่งขึ้นด้วยพุทธวจนะดังนี้ปราทพึงรู้เถิดว่าพระนิพพานเป็นของมีแท้ด้วยคำว่าพระนิพพานเป็นของอันบุคคลพึงได้ด้วยยาณวิเศษนั้นแสดงว่าพระนิพพานเป็นปัจจดขะสิทธิสำเร็จโดยประจัดแจ้งแก่พระอริยเจ้าจำพวกเดียวด้วยอ้างสัพพัญูวจนะนั้นแสดงว่าพระนิพพานเป็นอนุมานสิทธิ สำเร็จแกปุถุชนโดยอนุมานคาดคะเนว่ามีตามพระพุทธวจนะโลกิยะปัญญาซึ่งจะเห็นพระนิพพานก็มีอยู่แต่โคตรรัุญญาอันเกิดในชวนะวาระเบื้องต้นแห่งมรคะชวนะวาระซึ่งไม่คืนมาเป็นโลกิยะปัญญาอีกนอกนั้นโลกุตรปัญญาคือมกคญาณพลญาณอย่างเดียวเห็นพระนิพพาน การเฉลิมพระนิพพานแจ้งแจ้งจริงๆเป็นปัจจคสิทธิจะต้องรู้โดยการประจับแจ้งจากการอบรมเจริญโพนาเจริญไตรจิกขาอบรมไตรจิกขาให้บริบูรณ์นะแต่ว่าตอนนี้เมื่อ ย, ยังไม่ประจับแจ้งก็เป็นอนุมาณนสนิทธิสำเร็จโดยการอนุมาณตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อศึกษาดีแล้วเข้าใจว่ามีขันห้าขันห้าแปดปีวนเกิดตับเป็นทุกข์ในเที่ยง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 นิพพานวิภาวนาอธิคมสัจธรรมกถาจบ น, นี่ก็เป็นเรื่องของอธิคมสัตธรรมก็ขอให้ท่านทั้งหลายเด้เป็นผู้ที่อบรมปฏิบัติสัจธรรมโดยการศึกษาปริยัติสัจธรรมน้อมนํามาในการเจริญเพื่อได้อธิคมสัตธรรมในที่สุดขอยบรรลุอริยมรรคอริยผลโดยการไม่เนิ่อช้านี้ทุกท่านที่เทิญสาธุสาธุสาธุ